พระทรรตามพระไตรปิฎกครั้งที่114จนกว่าจนป่วยกว็ป่วยนั้นทะเลาะเบาะแว่งออกไปกันหนักเข้าไปอีกนั้นเพราะฉะนั้นคนไม่มีบุญเนี่ยมันทุกข์จริงๆแล้วก็ฐานนี้เป็นเครื่องป้องกันของมนุษย์ด้วยนะเป็นเหมือนกับกราะเป็นเครื่องป้องกันถ้าบ้านเนี่ยนะรั้วนี่สำคัญใช่ไหมฐานนี่มันก็เป็นเหมือนกับรั้วนี่นแหละเั้นคนมีฐานะหน่อยเนี่ยนะเขามีอะไรมาก็โอะ โยนควักไปไม่กี่ตังเงี้ยนี้หมดเลี่ยงเลยนะก็หมูม่มานี่หายหมดเลยว่างั้น น, น่าเชื่อนะต่างประเทศไปไหนไปได้หมดเลยจะเหาะเหินเดินฟ้าได้หมดอะ่ะถ้ามีทรัพย์สักอย่างเนี่ยนะป้องกันตัวเป็นอย่างดีเลยจะเจ้าทหารมาห้อมล้อมเอาผู้อารักขาเนี่ยนะเป็นร้อยชั้นก็ได้ขอให้มีทรัพย์อย่างเนี้ย <c oughs> ให้คนมาตายก่อนสักพันคนก่อนก็ได้ถึงเราค่อยตายทีหลังถ้ามีบุญเรื่องนี้นะครับคือถ้ามี ฐานะมีทรัพย์นะช่วยแก้ปัญหาเรื่องไร้ไรไปได้เยอะถ้าใครจะมาเป็นศัตรู ก, กับเรานะแล้วก็ถ้าเรามีฐานะนะแล้วเรารู้วิธีแก้ไขนะโอ้ช่วยได้เยอะนะช่วยได้เยอะจริงๆแล้วชีวิตผมก็แก้ไขปัญหานี้มาไม่น้อยทีเดียวถ้าหากว่าเราพูดง่ายๆถ้าพูดอย่างชาวบ้านก็คือว่าใช้เงินเนี่ยซื้อความปลอดภัย ในชีวิตเราเนี่ยถ้าเราไม่มีก็ยากนะก็ยากเพราะว่ากิจการบางอย่างธุรกิจบางอย่างมีศัตรูรอบข้างถ้าเราไม่มีอะไรที่จะมาแก้ปัญหาเลยนั้นยากมากนะนี่ตัวอย่างนะที่ว่าเออผมก็เห็นด้วยที่ท่านอาจารย์บอกว่าผู้ที่ทำทานไว้เนี่ยมันเป็นเกราะป้องกันอันตรายอย่างหนึ่งถ้าเรารู้จักใช้ด้วยนะไม่ทราบว่าใครจะเห็นด้วยไหม สมมุตินะข้างบ้านท่านนะ่ะมีนักเรงหัวไม้แล้วก็เป็นพวกมิจฉาชีพถ้าท่านไม่มีทรัพย์สินเลยนะท่านไม่สามารถจะหยิบยื่นอะไรก็ได้เลยนะเขาไม่แน่วันนึงเขาอาจจะมาเบียดเบียนท่านนะแต่ถ้าว่าท่านมีทรัพย์สินบ้างท่านรู้จักใช้ยนะท่านก็ผูกใจเขาได้นะผูกใจเขาได้พระพู้ทธองคทรงทรงตรัดไว้เลยนะว่า แม้แต่ค่าทาดบริวานนี่นะท่านต้องให้รางวัลเขานะหน้าที่ของนายกับบริวานเนี่ยท่านบอกไว้เลยนะหน้าที่มีอย่างหนึ่งที่ผมจำแม่นเลยนะคือว่าให้รางวัลเป็นทรัพย์สินเงินทองนะแล้วก็เราสังเกตดูนะถ้าเราให้รู้สึกว่าโอ้ผมจริงไม่มากอะไรเท่าไรเลยนะไม่มากอะไรเท่าไรเลย แปลว่าเป็นการผูกใจเขาเป็นการอะไร chia? มันเป็นมันเป็นการถูกใจก็อย่างมากเลยนะนี่นี่ตัวอย่างอย่างหนึ่งนะที่พุทธองค์ส่งตัดไว้เลยนะแต่ถ้าหากว่าฐานะเราไม่มีนะ <clauses S 1> ถ้าหากว่าฐานะเราไม่มีนะ <europe S 1> เราจะเอาอะไรไปแก้ปัญห า, าแต่ข้อยังมีก็มีอย่างอื่นนะแต่ถ้าอันนี้มันง่ายมากใช่มันง่ายมากที่จะแก้ปัญหาอย่างนี้นะถ้าท่านลองดูนะผมเนี่ยแก้ปัญหามาเยอะแล้วนะเพราะว่า แต่ก่อนนี่ก็อยู่บันนอกบันนอกน่อในกรุงเทพเป็นแคอยู่กรุงเทพจริงแต่ก็ไปอยู่ห่างๆเนี่ยนะการที่ไปอยู่ห่างๆความเจริญเนี่ยก็เราจะพบบุคคลหลายอย่างบุคคลที่เกเรเกตุงมีแล้วถ้าเขารู้ว่าเรามีทรัพย์สินมีฐานะแน่นอนนะเขาก็มีโอกาสที่จะเบียดเบียนเราถ้าเรารู้จักใช้ทรัพย์สินอันนี้นะโอ้ช่วยได้เยอะมากช่วยได้เยอะอยจริงๆผูกใจเขา ผูกใจหัวหน้าไว้คนหนึ่งนี่เราอยู่ได้สบายเลย <c oughs> ในพื้นที่นั้นเราอยู่ได้สบายเลยก็ไม่ใช่ ม, มากงไม้อะไรนะที่เราช่วยเขาเนี่ยนะแต่ก่อนเรานึกว่าโอ้ถ้าให้ไปสักร้อยหนึ่งหมเขาจะต้องมาเอาเป็นประจำสองวันสามวัน ไ, ไม่มีครับผมเชื่อได้ผมพูดได้เลยความจริงเนี่ยเมื่อเรามีมิตรจิตมิจฉใจเมตตาต่อเขาเนี่ยนะเขารับไปแล้วเนี่ยเขาก็มีความเกรงใจเราเขาก็ไม่อยากจะมาเบียดเบียนเราอะไรมากงไม้นะเป็นการเคารพเราด้วย นี่ตัวอย่างอย่างหนึ่งนะว่าเรื่องทานนี่มาอันดับแรกเลยทา น, นบารมีก็ทีว่าเนี่ยนะพระพุทธเจ้านั้นยกย่องพระมหากัสริหลายกรณีมากเลยยกตัวอย่างตอนที่บวชใหม่ๆหม่มหากัตริยนั้นปูผ้าสังขติเนี่ยนะอย่างดีที่ตัวเองซื้อมาจากตลาดเน่ยให้พระผู้มีประภาคประทับนั่งพระองค์ก็ประทับนั่งแล้วก็จับผ้านี่ดีนะว่าน้น ธรรมหากัะสปะก็เลยถวายเลยพระ อ, องค์ก็บอกว่าอาจไหมที่จะใช้ภาพบางสกุลที่พระ อ, องค์ไปบางสกุลมาเนี่ยเอาไปใช้ได้ไหมบอกว่าได้อาการที่พระ อ, องค์ทรงประทานภาพบางสกุลอันนั้นเนี่ยเป็นเหตุสําคัญมากพรรมหากระสปะเนี่ยนะตั้งใจ ย, ยกพระพุทธศาสนาทําสังคยาก็พระสังคติผืนนั้นด้วยทจำไปเพราะผู้ที่เขามีทานหรือว่ามีวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งสามารถที่จะให้ได้ อันการให้เนี่ยอยู่ในสังขาวัตถุสี่เป็นเหตุให้มีบริวารมีคนรับใช้ใกล้ชิดอันถ้าเรามีญาติมีบริวารเยอะเนี่ยนะมีเหตุการณ์เรื่องราวกว่าจะมาถึงเราได้เนี่ยผ่านไม่รู้กี่ด่านนะแต่ถ้าอยู่หัวเดียวกะเทียมรีบเนี่ยนะมีอะไรสักอย่างเลยเนี่ยนะโอ้ยมแมลงวันก็ บ, บินผ่านนะอย่าว่ามนุษย์บรราเลยยุงก็ยังมากัดได้เพราะนั้นมีอะไรช่วยป้องกันสักอย่างมุ้งพอที่จะกันยุงก็ไม่มีคำว่างั้น อย่าว่ากันอย่างอื่นเลยเมื่อกี้เนี่ยเดินไปห้องน้ํามีตัวงโอ้ขี่เรือนไปครึ่งตัวปัญญาซื้อมุงตางก็ไม่นี้งเขาบ่างั้นอันอดอยากหิวห้ยถ้าเขาแบ่งเศษอาหารให้บ้างก็พอมีกินเศษของเขานะแต่ถ้าคนมีแล้วก็เนี่ย โ, โหจะไปแบ่งเศษให้ใครบ้างก็สบายสบาย <c oughs> เหมือนกับเราเนี่ยเป็นพระเจ้าเหมือนกันนะถ้ามีบุญตัวอย่างนยจะกํนนะากกหนดให้คนมั่งมีสีสุกก็ได้กําหนดให้คนตกต่าก็ได้ ถ้าเราอยู่ต้นน้ำเนี่ยเราสามารถปิดน้ำไม่ให้คนข้างล่างใช้อีกก็ได้หรือเราจะให้คนข้างล่างเนี่ยมีความสุขขนาดไหนก็ได้สิ่งเหล่านั้นส่วนหนึ่งก็เกิดจากบุญของเรางนั้นถ้าผู้ใดที่เคยให้ทานไว้มากชีวิตของเขาก็สบายหน่อยสบายเรื่องนี้นะเรื่องอื่นคนละเรื่องนะเฉพาะปัญหาด้านนี้ก่อนมันเป็นปัญหาใหญ่เบื้องต้นเหมือนกันแต่ก็ก็ทราบซึ้งในเรื่องนี้พอสมควรมากนะะ เรื่องว่าคนที่ให้ทานมาน้อยเนี่ยมันยุติธรรมเหมือนกันนะมันมันมีความทุกข์ไม่ใช่ทุกข์ธรรมดาด้วยอ่าเขาบอกว่าในโลกนี้ทุกอย่างหนึ่งก็คือทุกโดยที่คนเป็นหนี้เนี่ยนะใครไม่เป็นหนี้บางทีไม่รู้หรอกว่าไอ้ความทุกขของการเป็นลูกหนี้เนี่ยมันทุกข์ขนาดไหนของมาเนี่ยบางทีเป็นเด็กๆ เ, เนี่ยโหเป็นหนี้เขาหลายครั้งกันนะไปเยี่ยมมากว่าจะหาใช้เขาได้แล้วพวกบางทีมาทวงอ่ะไม่ไม่ไ ม, ไม่สนุกเลยอะ่ะไม่สบายใจเลย แล้วก็หลังจากนั้นมาเราก็มองเห็นคนรอบๆข้างเขาเป็นนี่กันโอ้โหมันทุกข์ไม่ใช่ทุกข์ธรรมดามกันนะอาหารอร่อยนี่กินไม่ลงแล้วมันกล่ำกลืนฟื้นใจแต่ใครไม่เป็นนี่ก็มีความสุขไปเป็นความทุกข์อย่างหนึ่งของคนมีนี่ซึ่งถ้าหากว่ามีแล้วก็เห็นช่องทางการแก้ปัญหาอันนั้นก็ยิ้มแย้นแจ่มใสได้แต่มองไม่เห็นทางด้วยไปกันใหญ่เลย อมองไม่เห็นทางในการแก้ปัญหาซึ่งที่เป็นลักษณะนี้ก็ไม่ใช่ใน้อยนนะถึงกับหลายคนฆ่าตัวตายก็คือปัญหาปัญหาหนี้สินที่แก้ไม่หลุดถามว่าหนี้เหล่านั้นเกิดจากอะไรก็คนทําบุญมาแล้วมันเป็นเจ้าหนี้นี่คนไม่มีบุญก็เป็นลูกหนี้ไปแค่ชีวิตจะเป็นอยู่ก็ยังยั ง, ยงทุกข์ยากขนาดนั้นเนี่ยนะนี้ส่วนหนึ่งแล้วก็ที่ตกต่ําไปกว่านั้นอีกนั่นเอง สัตว์ที่อดอยากหิวโหยอย่างประเทศบางประเทศขนาดเขาส่งอาหารไปให้แล้วยัยงไม่มีปัญญาเอาไปแจกกันกินเลยอะ่ะ <c ười> เนี่ยนะขนาด <c ười> เขาส่งอาหารไปให้แล้วมันทุกขนาดนั้นนะคนไม่มีบุญเนี่ย <c ười> อาหารมันบริบูรณ์แปลว่าเขาใสาก่กระป๋องไว้เงี้เราก็าอดแล้วไม่มีอะไรเปิดเออความจริงเรื่องฐานนี่นะฮะเราไม่อยู่ในฐานะต่ําต้อยอย่างนั้นนี่นะเราไม่ค่อยเห็นคุณค่าเท่าไหร่นะความจริงบางคนนะแค่ร้อยบาทมีความยิ่งใหญ่มากเลย บางคนห้าร้อยบาทโอ้ใหญ่ใหญ่มากนะถ้าครั้งไหนเขาได้ถูกเลขทายสองตัวสามตัวนะแล้วเขาได้ไปร้อยห้าร้อยบาทพันบาทเขามีจิตสมนัติโหเรื่องใหญ่ดีใจมากเพราะนั้นเราเนี่ยนะฮะบริจาคให้เขาเนี่ยถึงแม้ว่าเราเงินแค่นั้นเนี่ยมันน้อยนิดสำหรับเรานี่นะแต่อเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเขาเป็นการแก้ปัญหาหเขาไปได้เป็นอาทิตย์เลย ถ้าเราให้เขาสักสามสี่ร้อยนี่นะโอ้โหเขาจะมีประโยชน์กับเขามากตัวอย่างนี้ที่อันนึงที่ผมนึกขึ้นได้นะเมื่อสมัยผมรับราชการอยู่แล้วแล้วก็ผมอยู่ใกล้ชิดนายสูงสุดเลยเป็นผู้มีราช ก, การฐานสูงสุดท่านนี้ผมก็ไม่อยากจะเ อ, อ่ยชื่อนะแต่ท่านเป็นผู้ที่ลักษณะที่ท่านมีฐานะแล้วก็ท่านเนี่ยนะฮะผูกใจลูกน้องในลักษณะเนี่ย พอสิ้นเดือนนะ่ะท่านก็เอาเงินนี่ใส่ซองซึ่งเขาไม่ได้มากมาอะไรนะแค่เรียกว่าสำหรับระดับพันโทพันเอกก็ใส่ไปสองพันห้าพันอะไรอย่างเนี้ยีนะ่ยแล้วก็ตามแต่ยศตามแต่ลุงน้องท่านเยอะนะโอ้ยทุกคนนี่จงรักภักดีโอ้ยคอยเราแวดระวังท่านเป็นอย่างดีเลยนะเราเองได้เดือนขนั้นดีใจจริงๆนะสมัยสามสิบสี่ปีมาแล้วนะฮะ นี่ดีเป็นตัวอย่างนะตัวอย่างผมเห็นว่างเงินนี่มันถูกใจคนจริงๆแต่ก็ถ้าคนไม่มีบุญเนี่ยนะมาเงินเนี่ยกว่าจะเห็นเนี่ยเห็นแตในในโลกหลวงพ่อคูนมั้งเนาะติดไว้หน้าบ้านพอยิ้มๆหน่อยมั้นกูให้มึงรวยง น, นะมีอันนั้นนะมไม่มีบุญแล้วมันก็ทุกอย่างนั้นเลาทีนี้ต่อไปนะว่าทานเนี่ยเป็นเครื่องป้องกันอย่างดีเลยนะเป็นเกราะเป็นที่ป้องกันชีวิตอย่างดีเลย ทานนี้เป็นเผ่าพันธุ์เป็นเครื่องนําหน้าว่างั้นเป็นหัวหน้าของทั้งขบวนอ่กิจกรรมใดก็ตามนะถ้าเราไม่คิดจะให้นะกิจกรรมนั้นเราไม่อยากไปที่สุดเลยเช่อไหมกิจกรรมใดก็ตามถ้าเราโอ้ไปให้สบายๆเนี่ยนะโหเราไปอย่างองค์อาจเลยนะแต่ถ้าไปแบบไม่อยากให้เนี่ยโหตัวรีบไปเลยนะเพราะฉะนั้นทานเนี่ยเป็นเครื่องนําหน้าเนี่ยนะเป็นเรียกว่าคนที่มีมีทานคิดจะให้บ่อยๆเนี่ยนะ มันองค์อาจนะฐานนี้เป็นคติคือที่ไปสําคัญของสัตว์ที่ถึงความทุกข์สัตว์ที่ถึงความทุกข์เนี่ยนะฐานเนี่ยจะว่าไม่สําคัญก็ชี้เป็นชี้ตายในชีวิตได้สมมุติว่าอย่างเรื่องคดีต่างๆเนี่ยนะถ้าคนไม่มีฐานะเนี่ยนะก็หลุดจากแต่ละคดีก็ยากเหมือนกันอันนี้ถ้าหากว่าขึ้นโรงขึ้นศาลเข้าโรงพยาบาลโรงหมูโรงหมอก็เหมือนกันนั่นแหละโรงอยู่โรงยาเนี่ยนะ ถ้าฐานะไม่ดีก็ดูแลไม่ดีหน่อยก็ตามสมควรแก่ฐานะด้วยเหมือนกันนะจะไปโรงยาดีหรือไม่ดีก็สุดแท้แต่ฐานะตามสมควรแก่ฐานะนั้นๆด้วยอันทานเนี่ยเป็นเครื่องสําคัญเนี่ยนะการจัดทุกข์ให้สัตว์ได้อะทั้งเจ็บปวดอดอยากหิวห้ยเนี่ยนะมันป้องกันไว้มากแต่คนมีบุญบางทีก็อาจจะลืมไปก็ได้ว่าเออนี่ส่วนหนึ่งเป็นผลของบุญนะที่เราได้สามารถอยู่อย่างพลาสุขอย่างสนุกสบายเหมือนกัน และทานนี่ท่านแสดงว่าเป็นนาวาเพราะอาจว่าเป็นเครื่องช่วยให้ข้ามทุกข์ได้คนที่ต้องการข้ามน้ําข้ามทะเลในเรือสําคัญที่สุดเหมือนกันเถอะการให้ทานเนี่ยนะทะเลนี้หรือ ห, อห่วงน้ําเนี่ยนะมันไม่จะแบจะข้ามง่ายๆนะถ้าคนตัวเปล่าเนี่ยนะจะไปข้ามได้ยังไงแต่คนมีเรือมีแพมีอะไรเนี่ยโอ้ข้ามสบายเลยนะเพะฉะนคนที่ทําบุญหรือคนที่ให้ทานไว้ก็จะลักษณะนั้นทานท่านสารเสริญว่าเป็นนคร เป็นมือนกับเมืองเลยนะเพราะป้องกันภัยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยนะถ้าอยู่ในเมืองนี่ถือว่าปลอดภัยแล้วเพราะมีรั้วล้อมมีรั้วรอ บ, รรอบขอบชิดเป็นอย่างดีเนี่ยนะศัตรูมู่ค่าสึกเข้าไปไม่ได้ทาง น, นี้ท่านกล่าวว่าเป็นอัศ ร, รพิษเพราะอัดว่าเข้าใกล้ได้ยากแต่ว่าให้ยาก น, นะกว่าเจตนาที่จะให้ก็บอกการให้กับการรบเนี่ยนะคิดจะให้กับคิดจะรบพอๆกั น, กนแต่ถ้ารบชนะแล้วสบาย เขาบอกว่าทานนี้เป็นเหมือนดอกประทุมเหมือนดอกบัวนะเพราะมนทินคือโลผ้าเป็นต้นฉาบทานไม่ได้ทานนั้นเป็นที่พึ่งอาศัยของบุรุษที่พึ่งอาศัยของบุรุษเสมอด้วยทานไม่มีในโลกเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงบำเพ็ญทานด้วยการทําตามอัธยาศัยอันการให้ น, นะสาคัญนะถ้าหากว่าเราให้และตั้งเป้าหมายไว้ถูกการให้อันนั้นเป็นทานบารมี คือการให้ไม่ได้จํากัดว่า ม, มากหรือน้อยเนี่ยนะเพราะว่าตัวเจตนานั่นแหละเป็นตัวบุญไม่ใช่ตัววัตถุที่ที่ให้เป็นบุญเพราะฉะนั้นทํายังไงเจตนาที่คิดจะให้ได้เกิดขึ้นบ่อยๆ อ, อันนั้นแหละเป็นความฉลาดของเราไง น, ะนรชนคนไรเล่าผู้มีปัญญาในโลกนี้ผู้ยินดีในประโยชน์เกือ้อกูลจะไม่พึงให้ทานทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งโลกสวรรค์คนที่มีปัญญาจริงๆอ่ะที่ไม่ให้ทานไม่มีรอก เพราะอะไรเพราะว่าการให้สัตว์เดรัจฉานยังมีอันนี้สองร้อยชาติเลยให้สัตว์เดรัจฉานเนี่ยนะข้าวปลาอาหารเศษเหลือที่เราเหลือเอาไปทิ้งให้หมดเอาไปอะไรก็ยังมีผลมากเลยนะเพราะฉะนั้นเมื่อให้สัตว์เดรัจฉานยังมีผลขนาดนั้นจะ ก, กล่าวไปใหญ่ถึงให้มนุษย์เป็นต้นแล้วว่างั้นหรือให้มนุษย์หรือให้คนมีศีลเป็นต้นเนี่ยจะมีผลขนาดไหนวงั้นการให้นั้นมีประโยชน์เพื่อ ก, กูลมาก นรชนคนไร่เล่าได้ยินว่าทานเป็นแดนเกิดสมบัติในเทวดาทั้งหลายจะไม่พึงให้ทานอันให้ถึงความสุขทานเป็นเครื่องยังจิตให้ร่าเริงทานเนี่ยนะเป็นเหตุให้ไปสู่สุขติโลกสวรรค์ด้วยนะแล้วก็ทานเนี่ยคนที่ให้บ่อยๆก็สามารถที่จะยังจิตให้ร่าเริงชีวิตก็ไม่ค่อยเครียดไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่นะแต่ชีวิตคิดจะให้นะแต่ชีวิตคิดจะเอาเนี่ยทุกข์ที่สุดนะ คนจะให้กับคนจะเอาเนี่ยนทุกต่างกันมากมายมหาศาลนะฟ้าก็บเหวเนี่ยแหละคนจะให้เนี่ยมันเบาคนจะให้เนี่ยเบาแบบนั้นน่ะคนจะเอาเนี่ยทุกเยิ่งว่าจมเหวอีกจิตไม่ฟูอะไรซากอย่างเหมรเงี้ยนรชนบำเพ็ญทานแล้วก็เป็นผู้อันเทพอักษรห้อมล้อมอภิรม์ในนันทวันแหล่งสำเริงสำราญของเทวดาตลอดกาลนาน คนมีบุญไปที่ไหนก็สนุกสนานไปเรื่อยอ่ะนะมีคนล้อมซ้ายล้อมขวาล้อมหน้าล้อมหลังมีเพื่อนมีฟูงไปที่ไหนก็ไม่น้อยอยู่คนเดียวว่างั้นเนอะเรินเรืงกันน่าดูเลยผู้ให้ย่อมได้ปีติอันโอฬานคนที่ให้เนี่ยนะจะอิ่มใจว่างั้นแท้ย่อมประสบความเคารพในโลกนี้คนที่ให้บ่อยๆไปที่ไหนคนก็เกรงใจว่างั้นผู้ให้ย่อมประสบเกียรติเป็นอันมาก ในงานนั้นนะใครเป็นคนให้มากคนนั้นมีเกียรติที่สุดในงานนั้นผู้ให้ย่อมเป็นอันมหาชนไว้วางใจคนทุกคนเนี่ยจะยอมรับคนนั้นเลยวางั้นเขาไว้ใจหมดเลยเพราะเขาเป็นคนให้อ่ะแต่ถ้าคนที่มัดเอาเนี่ยนะโอ้โหคนเนี่ยเขาจะไม่ไม่ไว้ใจทุกอย่างเลยนะนรชนนั้นให้ทานแล้วย่อมถึงความมั่งคั่งแห่งโพคะดินน้ำลมไฟพวกนี้เนี่ยนะเรียกว่ามหาภูตรูปเหล่านี้นะที่จริงธนาบัตรก็คือมหาภูตรูปนั่นแหละ แต่ใครมีบุญได้ใช้มันน่ะหมหาภูตรูปส่วนหนึ่งก็แล้วแต่บุญเหมือนกันนะใครมีบุญมากมหาภูตรูปประณิทเพชรก็มหมาภูตรูปนั่นแหละถ้าใครมีบุญก็ได้ใช้ประณิตหน่อยใครบาปเยอะก็ใช้หยาบหน่อยเหมือนกัน <c oughs> เก็บกรวดนั่นแนหะเพราะฉะนั้นการให้นี่ก็มีอายุยืนนะเ อ, อคนให้ทานมากก็มีอายุยืนนะก็คือมีอยู่มีกินอย่างสุขสบายนะแต่ถ้ากินไม่เป็นก็ไม่แน่นะอายุสัน้นเองงั้นเขบอกว่า ผู้ที่ให้ย่อมได้มีเสียงไพเราะออมีความสำคัญด้วยนะคนที่ให้กับคนจะเอาเนี่ยเสียงไรเพราะกันคนจะให้เวลาพูดเนี่ยคุยดีนะแต่คนจะเอาเนี่ยมันแย่งกันเอาใช่ไหมมันเสียงเนี่ยไม่เพเราะแล้วแล้วก็คนให้นี่มีรูปสวยคนให้ยิ้มแย้มแจ่มใสใช่ไหมเหตุนะครับเป็นเหตุแห่งรูปสวยอยู่ในวิมานทั้งหลายที่นกยูงอันน่าชื่นชมนาน า, น า, นานชนิดร้องระงมเหมือนเสียงสำราญนะนะเสียงอย่างสบายใจ เล่นกับเทวดาทั้งหลายในสวรรค์เทวดานี่เพื่อนเราทั้งนั้น น, นะละคนมีบุญอ่ะเออถ้าหากว่าผู้ที่เจริญเทวดานุสติบ่อยๆเนี่ยนะบอกเทวดาให้ทานเอา้าเราก็ให้ทานมาเทวดามีศีลเราก็เคยรักษาศีลมาเทวดามีสุตตามีจาระ ม, มีปัญญาเราก็มีอะ่ะถ้าพูดแบบนึงนะบอกโอ้โ oh, ห oh, oh เทวดาสมัยก่อนสมัยพุทธกาลเขาก็ให้ทานเอ่ะของเราก็ให้ทานอะ่ะ เทวดาสมัยก่อนเขารักษาศีลเอา้าเราก็มีศีลนะ่ะเทวดาสมัยก่อนเขามีการศึกษาประธรรมคําคสอนเอา้าเราก็มีอะ่ะเออเทวดาก็เพื่อนเราทั้งนั้นน่ะพวกพวกเรากันเองเหมือนนั้นสบายใช่ไหมมาเดินนั่งอ้อนวอนอ้ยเทวดาเจ้าข้าช่วยด้วยเถอะไงคนไม่มีบุญก็จะร้องเรียกหาความช่วยเหลือจากเทวดาเทวดายิ่งไปห่าง น, นั้นแต่ถ้าใครมีบุญนะอ้าวแบ่งบุญให้เทวดาเทวดามารักษาเป็นยกใหญ่เลย ทานนี้เป็นทรัพย์ไม่ทั่วไปแก่ภัยทั้งหลายคือโจรภัยเออถ้าคนที่ให้ทานแล้วนะไม่มีใครแย่งได้หรอกอาเภัยภัยคือศัตรูหมู่ฆ่าสึกราชภัยอุทกภัยและอักขีภัยคนที่ให้ทานไม่มากๆานะฮะนะไม่ต้องกลัวโจรปล้นไม่ต้องกลัวศัตรูไม่ต้องกลัวเ อ, วอบ้านเมืองจะยึดเอาไม่ต้องกลัวน้ําท่วมไม่ต้องกลัวไฟไหมทานนั้นย่อมให้สาวกยานทูม ผู้ที่จะเป็นพระอานนท์พระสารีบุตรพระโมกัลานะพระมหากัสปะพระมหากปินาเนี่ยท่านเหล่านี้เป็นผู้มีบุญท่านทําบุญไว้ก่อนทั้งนั้นแหละพระมหากปินาเนี่ยท่านออกจากวังมาบวชพระมหากัสปะนี่นะมีพื้นแผ่นดินเนี่ยนะระดับจังหวัดจังหวัดของประเทศไทยเลยนะมีแผ่นดินเนี่ยใหญ่กว่าจังหวัดบางจังหวัดของประเทศไทยเยอะเป็นมหาเศรษฐีที่ร่ํารวยมากมายมหาศาลเนี่ยนะเรียกว่ามีกองทัพอยู่ในมือแล้วเป็นอนุเศรษฐีที่มีกองทัพอยู่ในมือ ออกบวชนะพระมหากระสปะเนี่ยมีบุญขนาดนั้นนะพระมหากปินาเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีแล้วก็พระรูปหนึ่งอะที่บวชกลุ่มพระอนุนเนี่ยเป็นลูกกษัตริย์ทั้งนั้น อ, อีกคนหนึ่งเป็นพระราชาออกบวชที่เป็นพระราชาออกบวชนี่เยอะนะเพราะมหาสาวกเหล่านั้นก็เป็นผู้มีบุญพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะเนี่ยมีเงินกันคนละห้าร้อยกว่าโกดสมัยนั้นนะธรรมนาเศรษฐีทั่วไปเขามีคนละแปดสิบโกดนับว่ามหาเศรษฐีแล้วเขามีห้าร้อยกว่าโกดกัน จนแม่ภาษาดีบุตรเนี่ยเครียดเลยลูกออกบวชหมดอลยรวยมากอ่ะจนไม่รู้จะทํำยังไงอ่ะบวชหมดโอ้ยทุกจริงๆทุกของคนมีไปลูกหกเจ็ดคนอ่ะบวชหมดเกลี้ยงเลยพ่อแม่ก็ทุกพ่อมีมากแล้วนะ<บ><บ>เพราะฉะนั้นคนมีฐานะจริงๆเนี่ยน ะ, ะสาว ก, กภูมเนี่ยแม้แต่ว่าก่อนที่ท่านจะออกบวชท่านก็เป็นคนมีฐานะด้วยนะส่วนหนึ่งอสาวกผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จริงๆเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนมีฐานะมาก่อน อันกึงนับว่าเป็นคนที่มีบุญมากมายมหาศาลเพราะนั้นการให้เป็นต้นเนี่ยเป็นเบื้องต้นแห่งการเกิดในตําแหน่งสูงด้วยและปัจเจกภูมิพระปัจเจกผูพ้พระเจ้าเนี่ยนะที่ท่านมีบุญส่วนหนึ่งท่านเคยให้มาก่อนและตลอดจนถึงพุทธภูมิทานของพระโพธิสัตว์ ท, ท่านให้แบบไหนนะ่ยนึกออกไหมอุปมาถ้าพระโพธิสัตว์ให้ทานหม้อความมันนะของเราตักจากหม้อบ้างกันยังดี ครั้นทรงทำรรอนุโมทนาทานประกาศอนิสงค์ของทานโดยในอย่างกล่าวมาแล้วเนี่ยคือทานเนี่ยคิดดูนะเป็นปัจจัยแห่งบารมีทั้งหมดเลยแล้วก็ตรัดศีลในลําดับต่อจากทานนั้นธรรมนาว่าศีลเนี่ยเป็นมูลแห่งสมบัติในโลกนี้และโลกหน้าเป็นมูลเนะศีลเนี่ยเป็นมูลก็คือเป็นรากอะ่ะลองคิดดูนะต้นไม้ต้นใหญ่ๆถ้ารากไม่ดีลมมาก็พดัดละเนลนาดหมดพื้นฐานของชีวิตเหมือนกัน ศีลเนี่ยนะเป็นมูลสมมติว่าคนในยุคนี้เนี่ยนะคนทั่วไปนะใครมีศีลเนี่ยแสดงว่าความมั่นคงในชีวิตสูงมากแต่ใครไม่มีศีลความมั่นคงในชีวิตชาตินี้ก็อยู่ยากกันนะความเป็นอยู่ฐานะทุกอย่างนะถ้าไม่มีศีลเนี่ยไม่รู้จะหมดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้มันเป็นของแบบมันเหมือนน้ำแข็งนะสมบัติในโลกนี่นะถ้าหากว่าได้อุตุดีน้ำแข็งก็ไม่ละลาย ถ้าได้อุตุดีน้ําแข็งก็ตั้งอยู่นานหเลยทรัพย์สินในโลกนี้ก็เหมือนกันก็เหมือนกับบ้านช่องห้องหอนเดี๋ยวก็ติดป้ายแฝนหน้าบ้านนะบ้านนี้ขายด่วนเพราะไม่รู้ของใครอะครับของในโลกนี้ถามเก่งมันของใครใครมีบุญคนนั้นได้ใช้สอยมันถ้าไม่มีบุญคนนั้นก็จะเดินเรียบๆเพียงๆบางทีไม่มีโอกาสได้เห็นด้วยซ้ําไปแล้วว่าอะไรมันเป็นอะไร รันศีลเนี่ยเป็นมูลแห่งสมบัติทางโลกนี้ด้วยนะและเป็นมูลแห่งชีวิตต่อไปของโลกหน้าด้วยถ้าโลกต่อไปเนี่ยนะถ้าคนศีลไม่ดีเนี่ยเ้าเลือกเกิดไม่ได้นะันถ้าไม่มีศรัทธามีศีลมีสุตะมีจาระมีปัญญาเกิดที่ไหนถึงมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะสมควรจะเกิดในตระกูลไหนในือในโลกเนี่ยนะถ้าคนธรรมนาส่วนหนึ่งที่ทําบุญไว้ น, น้อยระดับหนึ่งเนี่ยนะถามว่าถ้าเราเกิดชาติหน้าเกิดในตระกูลไหนดี น่าจะกะกะได้แล้วใช่ไหมหน้ามาเกิดตระกูลไหนดีนะอ้าวถ้าชาติหน้าอีกกล้วเกิดเทวดาเอ้จาตุนี่เหมาะหรือเปล่าดาวดึงบางคนบอกดุสิตสิดุสิตเอาถามว่าจะมีบุญอยู่สักกี่วันในดุสิตนะเพราะว่าสวรรค์ชั้นสูงก็ใช้บุญเยอะนะถามหาอเจตนากรรมอันนั้นเนี่ยค่อนข้างมากเหมือนกันะ เพราะบางคนมีอะไรเทวดาบางท่านมีอายุแค่วันเดียวเหมือนกับไปเที่ยวอ่ะนะไปโฉบแว๊บมาเฉยๆอย่างั้นอ่ะไปสวรรค์มาเหมือนกันว่างนั้นมีอายุสั้นอะ่ะคือสวรรค์อายุยาวกว่าจริงโอ้โหอายุเป็นร้อยร้อ ย, อยโกดปีเป็นต้นเนี่ยนะอันนั่นของคนมีบุญเต็มที่เขาก็เหมือนกับเป็นมนุษย์ในโลกเนี่ยนะมนุษย์ยุคนี้อายุร้อยปีสมมตินะใครอะ่ะที่อยู่ร้อยปีอ่เรารือป่ หรือว่าคนอื่นใช่ไหมโดยอายุไขา ย, ยาวจริงแต่บางคนก็ไม่ได้อยู่ถึงขนาดนั้นหรอกในเทวโลกกับลักษณะนั้นแหละไม่ใช่ว่าจะอยู่ถึงเกณฑ์กันหมดนะเพรา ะ, ะนันเป็นมูลแห่งสมบัติทั้งโลกนี้และโลกหน้าเนี่ยศีลเพราะอย่าลืมว่าอายุสั้นเนี่ยมาจากอะไรรู้ไหมปานาติบาตเป็นเหตุให้อายุสั้นท่านใครศีลไม่ดีทําปานาติบาตบ่อยๆก็อายุก็น้อยหน่อยกว่าเราไปแย่งเอาชีวิตเข้ามาแล้วใช่ไมแต่เราก็ใช้คืนด้วยชีวิตของเรานั่นแหละ ศีลเป็นต้นเหตุสําคัญของสุขทั้งหลายถามว่าศีลเนี่ยเป็นเหตุแห่งสุขเนี่ยศีลเป็นเหตุแห่งสุขอย่างไรศีลย่อมนํามาซึ่งอวิปปิสารคือความไม่เดือดร้อนใจความไม่เดือดร้อนใจย่อมนํามาซึ่งปราโมทปราโมทย่อมนํามาซึ่งปีติปีติย่อมนํามาซึ่งปสสัต t h ปัสสัต t h ย่อมนํามาซึ่งสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยความสุขเนี่ยนะมีศีลเนี่ยเป็นเหตุที่สําคัญที่สุด สุขของคนมีศีลกับสุขของคนทูศีลเนี่ยโหสุขแตกต่างกันมากอ่าผู้มีศีลย่อมไปไตรทิพสวรรค์ด้วยศีลเออศีลเนี่ยนะไปเป็นบริวารของพระ อ, อินทรเท้าสักกะสบายๆเท้าสักกะนี้ท่านเป็นพระโสดาบันนะขอฟังธรรมจากท่านก็ได้ไตรทิพก็คือสวรรค์ชั้นสามไตรเนี่ยแปลว่าสามแต่นี่เป็นชื่อของสวรรค์ชั้นดาวบดินศีลเป็นเครื่องป้องกันเป็นเกราะของชีวิตเป็นอย่างดี ศีลเนี่ยเป็นเครื่องเรนเครื่องนําหน้าของผู้เข้าถึงสังสารวัตรถ้าหากว่าเราจะเดินทางในสังสารวัตรจะต้องเดินทางไกลเนี่ยนะถ้าไม่มีรถขี่จะไปยังไงเนาะสังสารวัตที่เราจะต้องเดินทางเนี่ยนะมีชาติกันดารเนี่ยกันดารคือการเกิดชรากันดาลกันดารด้วยข้าวด้วยน้ําด้วยที่อยู่อาศัยด้วยความทุกข์ต่างๆเนี่ยนะ การดานเหล่านั้นถ้าพื้นฐานเราไม่มีศีลจะไปอยู่ยังไงเนาะชีวิตในโลกต่อๆไปเนี่ยเพราะฉะนั้นที่อาศัยที่เสมอด้วยศีลจะมีมาแต่ไหนศีลเป็นที่ตั้งสําคัญของคุณทั้งหลายเหมือนแผ่นดินศีลเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งสําคัญของคุณธรรมชั้นสูงเลยนะแผ่นดินเนี่ยนะสำคัญขนาดนั้นเป็นที่ตั้งแห่งสิ่งที่อยู่กับที่และสิ่งที่เคลื่อนที่ได้ฉะนั้นแผ่นดินเนี่ยนะสิ่งที่เคลื่อนที่ได้ ก็อาศัยแผ่นดินรถราบ้านช่องเครื่องบินเนี่ยเก่งขนาดไหนก็ต้องอาศัยแผ่นดินเหมือน น, นเถอะอันนี้สิ่งที่เคลื่อนที่ได้สิ่งที่เคลื่อนที่ไม่ได้ตึกจะสูงตึกใบ ย, ยกเป็นร้อยชั้นก็ทำเถอะถ้าไม่ตั้งอยู่บนแผ่นดินจะไปตั้งอยู่ที่ไหนคุณธรรมทั้งหลายเนี่ยนะทั้งคุณธรรมคือฌานอภินยามมัคผลนิพานเป็นต้นเนี่ยนะคุณธรรมเหล่านั้นถ้าพื้นฐานกุศลศีลไม่มีเอาอะไรมาเป็นเครื่องรองรับ เขาว่าศีลเท่านั้นเป็นกรรมดีศีลเป็นยอดเยี่ยมในโลกผู้ประพฤติชอบในธรรมจริยาของพระอริยะท่านเรียกว่าผู้มีศีลคนที่ประพฤติทำของพระอริยะนั่นเรียกว่าคนมีศีลเครื่องประดับเสมอด้วยเครื่องประดับคือศีลไม่มีกลิ่นเสมอด้วยกลิ่นคือศีลไม่มี เครื่องชัมระมณทินคือกิเลสเสมอด้วยศีนไม่มีมันจะละกิเลสเนี่ยเอาวิปัสสนามาละอย่างเดียวไม่ได้นะเพราะศีลเนี่ยนะถ้าบริบูรณ์จริงๆคือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะเกิดร่วมกับอริยมรรคถ้าสามตัวนี้ไม่เกิดพร้อมกับอริยมรรคนะประหารกิเลสไม่ได้เครื่องระงับความาร้อนเสมอด้วยศีลไม่มีจะหาความเย็นเนี่ยเสมอด้วยคนมีสีนเนี่ยคนมีสีเนี่ยเย็นนะ เมื่อเทียบกับไม่มีศีลนะจะต้องเอาคนคนเดียวมาเครื่องให้เกียรติเสมอด้วยศีลไม่มีบันไดขึ้นสู่สวรรค์เสมอด้วยศีลไม่มีประตูในการเข้าไปยังนครคือพระนิพพานคือความไม่ตายเสมอด้วยศีลไม่มีเหมือนอย่างที่ตรัสไว้ว่าพระราชาทั้งหลายทรงประดับด้วยแก้วมุกดาและแก้วมณียังงามไม่เหมือนนักพรตทั้งหลายผู้ประดับด้วยเครื่องประดับคือศีลย่อมสง่างาม คือเทวดาเนี่ยนะพระอินไม่ลงมากราบนะแต่ว่าถ้าผู้มีศีลเนี่ยพระอินลงมากราบอันเครื่องประดับคือศีลเนี่ยจึงมีเกียรติมีความสําคัญมากศีลของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมหาพรหมต้องลงมากราบท่านหะร่ถ้าศีลระดับนั้น น, นะะกลิ่นที่หอมไปทั้งตามลมทั้งทวนลมที่เสมอด้วยกลิ่นคือศีลจักมีแต่ไหนเล่ากลิ่นดอกไม้ไม่หอมทวนลม หรือกลิ่นจันทลิ่นสนามะลิก็ไม่หอมทวนลมส่วนกลิ่นของสัต์บุรุษทั้งหลายย่อมหอมทวนลมสัตว์บุรุษย่อมหอมไปทุกทิศกลิ่นคือศีนเป็นยอดของคันตชาติเหล่านี้คือจันทร์กฤษนาอุบลและมะลิในบรรดากลิ่นหอมทั้งหมดนะดอกไม้นะดอกมะลิหอมที่สุดเลยแตะจมูกเร็วที่สุดเหมือนกันเลยก็มีคนเคยลองเอาดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมหลายชนิดเนี่ยนะมาตั้งกองๆเนี่ยเป็นมะลิเนี่ยแตะจมูกก่อน กเพื่อนนี่นะก็บอกว่ามหานาทีคือแม่น้ำใหญ่เนี่ยนะคงคายามุนาสรภพูสรวดีนินนาคาอาจีรวดีมหีแม่น้ำอินเดียนะแม่น้ำเมืองไทยมีอะไรบ้างแม่น้ำโขงเจ้พาพญาแม่น้ำบางปะกงแม่น้ำอะไรอีกแม่น้าท่า จ, จีน แม่น้ำเหล่านั้นเนี่ยนะเขบอกว่าไม่สามารถชำระมนทินของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ใครไปอาบแม่น้ำเจ้าพญาเนี่ยไม่รู้จะหายสกปรกหรือเปล่าไม่ทราบไม่สามารถชำระมนทินได้หรอกแต่น้ำคือศีลชำระมนทินของสัตว์ทั้งหลายได้เขาบอกว่าแม่น้ำโขงกับแม่น้ำมูเนี่ยเคยไปดูว่าแม่น้ำสองสีเขาอกงั้นน้ำสองสีก็ว่าแม่น้ำโขงกับแม่น้ำมูเนี่ยคนละสีแม่น้ำโขงเนี่ยมันไหลผ่านมาไม่รู้กี่ประเทศว่างั้นแม่น้ำโขงสีเป็นยังไงคุณคลักหรือไง แม่น้ำมูนเนี่ยไหลจากเมืองไทยอย่างเดียวน้ำใสเหงือนกัน้ำสองสีก็เอาน้ำขุ่นกับน้ำใสมาใกล้ๆกันนั่นแหละเรียกน้ำสองสีพอมาก็งงเอ๊ะเป็นยังไงน้ำสองสีน้ำขุ่นกับน้ำใสนั่นแหละสองสีอ่ะแต่ว่าน้ำเหล่านั้นไม่สามารถชำระจิตที่เป็นบาปเราได้นะอาบยังไงก็ล้างบาปไม่ได้แต่ว่าน้ำคือสีเนี่ยชำระใจที่เป็นบาปเราได้ อริยศีลเหล่านี้ที่รักษาดีแล้วยืกเย็นอย่างยิ่งระงับความเร่าร้อนอันใดไ ด, ได้ส่วนจันทรเหลืองสร้อยคอแก้วมณีและช่อรัศมีจันทร์จะระงับความเร่าร้อนไม่ได้ถ้ากิเลสมันมีกําลังร้อนแรงขึ้นมาเนี่ยนะเพราเครื่องประดับเหล่านั้นช่วยให้ระงับไม่ได้หรอกแต่ว่ากุศลศีลเนี่ยช่วยระงับดับความเร่าร้อนในใจของเราได้ ถ้าเกิดปัญหาทุกข์ร้อนขึ้นมาจริงๆนะยังอื่นเนี่ยแก้ให้เราไม่ได้ทั้งอย่าง